บุ๊กทูแปดสิบสามยันน่าเผยโมดูอดีตการสามบูตกาลมมูดูโทรศัพทเ์เทลโฟนเชยเดำดิฉันโทรศัพท์แล้วนี่นูทเทลโฟนเฉยซานุ ดิฉันได้โทรศัพท์ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนี่ยับปุ๊บฟนเลื่อมมาตลอดตัวเนี่อุณนถามอ้อดดิฉันถามแล้วเนี่ย น, ด, า น, านดิฉันได้ถามเสมอนี่ยนี่ับปุ๊บอะกุตันี่อุน เล่าเจปูดอ่ดิฉันเล่าแล้วนนเนเนเชพานุดิฉันได้เล่าเรื่องทั้งหมดแล้วเนเนมตั้งการ์ดหนี้เชปานุเรียนชาดูบุตะาดิฉันเรียนแล้วเนเนชาดิวานุ ดิฉันเรียนตลอดทั้งค่าเลยเนี่ในสายธรรมระท่านชาิวานุทงานปานิเช ย, ยุต้ดิฉันทางานแล้วเนโน่ปานิเชานุดิฉันทางานทั้งวันเลยโรจนตาเนโนปานิเชานุ รับประทานทานติณุดะดิฉันทานแล้วนี่น่ตินานุานดิฉันทานอาหารทั้งหมดแล้วนี่นอนนนันหนึ่หมดตั้งตินานุ